พระพรหมเป็นมหาเทพแห่งความเมตตาและเป็นผู้ที่ลิขคิดชีวิตมนุษย์และยังเป็นเทพพระเจ้าผู้สร้างโลกมนุษย์และสวรรค์ถือว่าเป็นเทพองค์แรกที่สร้างสิ่งทั้งหมดนับว่าเป็นประชาบาษร์แห่งฤาษีทั้งหลายซึ่งนามของพระองค์มีหลากหลายเช่นทาดาหรือวิทาดาบางตำราเรียกพระพรหมทาดาหิรันคันพะโลกเกตแปลว่าจอมโลก ปอรเมตแปลว่าเป็นใหญ่ในสวรรค์จะตุรานนหรือจตุรามุกแปลว่าสีหน้าวิธิเวทาทรุขหินแปลว่าผู้สร้างปิตามหาแปลว่าบิดาผู้ยิ่งใหญ่พระวรากายของพระพรหม ม, มีสีแดงมีกรสี่กรแต่ละกรถือทันพระกรหรือช้อนสำหรับหยอดเนยลงในไฟลูกประคำ หนูชื่อว่าปรีวิตะหม้อน้ำคำัมพีพาหนะของพระองค์เป็นหงกรูปพระพรหมที่พบในปัจจุบันมีสี่ปางคือปางที่หนึ่งพระพรหมปางประชาบดีสีพระวรกายพระพรหมเป็นสีขาวอาภรณ์เป็นหนังกวางสีดําพาดบ่ามีสีพระพักสีพระกรทรงถือช้อนแจกันและก่อนปางประทานพรด้านเบื้องขวามีทิดาสรัตสวัสดี ด้านซ้ายมีเทพที่ดาสาวิตรีประทับยืนอยู่ทรงพาหนะหงปางที่สองพระพรหมปางโลกบาลมีสี่พระพักสี่พระกรกรณนนึงถือประคำกรณนนึงถือดอบบกบัวกรณึงถือหนังสือและอีกกรณึถือแจกันด้านข้างมีนางสาวิตรีสี่พักยืนประทับอยู่ใกล้ๆพระพรหมปางที่สคือพระพรหมปางวิศวกรรมมีสี่พระพัก สี่พระกรกรหนึ่งถือประคำกรหนึ่งถือช้อนกรหนึ่งถือหนังสือและอีกกรทรงถือแจกันปางที่สพระพรหมปางกามรมลักษณะปางปิตามห ah ามีสี่พระพักพระเกษาหมุนขมวดมีสี่พระกรกรหนึ่งถือหม้อกรหนึ่งถือช้อนกรหนึ่งถือหนังสือและอีกกรถือแจกัน การกำเนิดพระพรหมมีกล่าวไว้ในคำพีต่างกันเช่นมานวะธรรมศาสตร์กล่าวว่าเมื่อโลกว่างเปล่าพระอัตมะภูหรือพระสยัมภูผู้เกิดเองโดยไม่มีใครสร้างประสงค์จะสร้างสิ่งทั้งปวงโดยสร้างน้ำขึ้นมาก่อนแล้วส่งนำพืชหวานลงไปในน้ำก็เกิดเป็นไข่ทองขึ้นเรียกว่าฮิรัญยคันเป็นนามหนึ่งของพระพรหม เมื่อไข่แตกปรากฏพระพรหมอยู่ในนั้นในว่าไข่นั้นแตกเป็นสองซีกไข่ซีกบนลอยขึ้นเบื้องบนกลายเป็นท้องฟ้าอีกซีกลอยต่ำลงมากลายเป็นพื้นดินต่อมาพระพรหมจึงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นเมื่อตอนสร้างมนุษย์นั้นพระพรหมแบ่งเป็นสองภาคภาคหนึ่งเป็นชายภาคหนึ่งเป็นหญิงแล้วก็ช่วยกันสร้างพระวิษณุขึ้นมาก่อนพระวิษณุสร้างมนุษย์คนหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าวิราช และวิวราษก็สร้างพระมนูพระมนูก็สร้างมนุษย์ต่อซึ่งบางตำราบอกว่าพระพรหมไม่ได้แบ่งภาค พ, พระองค์เองทรงสร้างมเหสีขึ้นมาชื่อสุรัสสวดีหรือสตรูปาแล้วช่วยกันสร้างโลกวราหะปุราณะว่าพระพรหมเกิดขึ้นจากดอกบัวซึ่งผุดขึ้นจากพระนาภีของพระนารายในขณะที่บรรทมหลับอยู่ บนหลังอนันตน า, านาคราชนาเกษียนสมุตในปัตถม m a ปุราณนะได้กล่าวว่าเมื่อพระวิษณุผู้เป็นเจ้าประสงค์จะสร้างโลกจึงแบ่งภาคพระองค์เองออกเป็นสามภาคคือทรงสร้างพระพรหมจากปรรารัตเบื้องขวาหรือสีข้างด้านขวาสร้างพระวิษณุจากปรัตเบื้องซ้ายหรือสีข้างด้านซ้ายและสร้างพระศิวะขึ้นจากบั้นกลางพระองค์ ส่วนศาสนาพราหมณ์ที่นับสือพระวิษณุเป็นใหญ่ได้กล่าวว่าพระวิษณุแบ่งภาคเป็นพระพรหมจากนั้นได้ทรงสร้างโลกขึ้นในน้ําส่วนที่นับถือพระศิวะเป็นใหญ่ได้กล่าวว่าเมื่อเพลิงบรรลัยการล้างโลกหมดแล้วก็ยังเป็นอากาศว่างเปล่าอยู่พระเวททั้งหลายก็มาประชุมกันบังเกิดเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระประเมฆเจ้าหรือพระศิวะ พระศิวะใช้หัดรูปพระอุระแล้วสะบัดออกไปกลายเป็นพระอุมาพระศิวะทรงปรึกษาพระอุมาในการที่จะสร้างโลกและสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงพระอุมาเห็นว่าจะเป็นการหนักเกินกําลังทรงทูลชี้ให้พระศิวะสร้างเทพมาช่วยดูแลเพิ่มอีกแปรงพระศิวะจึงใช้พระหัดเบื้องซ้ายรูปพระหัดเบื้องขวาก็บังเกิดขึ้นเป็นพระนารายและทรงใช้พระหัดเบื้องขวารูปพระหัดเบื้องซ้าย บังเกิดเป็นพระพรหมคืนเหล่าทวยเทพทั้งหมดก็ร่วมกันช่วยสร้างโลกขึ้นมาใหม่ส่วนในคมภีไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวว่าเมื่อต้นพัทรกับทุกอย่างในโลกถูกไฟเผาผลาญหมดกลิ่นไอดินที่ถูกเผาส่งกลิ่นหอมกลุ่นไปถึงชั้นพรหมโลกเมื่อพระพรหมได้กลิ่นหอมนั้นจึงลงมากินง้วนดินเลยหมดอิทธิฤทธิเหาะกลับไปยังพรหมโลกไม่ได้ อยู่ไปนานข้าวก็กลายเป็นมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายในทุกวันนี้จึงมีพรหมเป็นปฐมตระกูลส่วนพระพรหมในศาสนาพราหมีองค์เดียวคือพระพรหมหรือพระพรหมมาส่วนในศาสนาพุทธมีกล่าวถึงพระพรหมองหนึ่งนามว่าเท้าสหัมบดีพรหมได้เสด็จลงมาจากพรหมโลกเพื่ออาราธนาขอให้พระพุทธ อ, องค์ได้ทรงแสดงธรรมต่อไปซึ่งมีใจความดังนี้ พระพรหมมีนามดังนี้สะหัมบดีผู้เป็นอธิบดีในโลกยกอัญชลีวิงบอลผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดประเสริฐยิ่งกว่าว่าสัตว์ในโลกนี้ที่มีมณฑินในจักษุน้อยขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์ทรงแสดงธรรมแก่หมูสัตว์เหล่านี้เถิดผู้ที่จะเป็นพรหมในทางาศาสนาพุทธได้กล่าวว่าหากบุคคลใดที่กระทําความดีมากๆก็ไปเกิดเป็นพรหมได้ พระพรมนั้นจัดเป็นเทพที่มีพระคุณมากกว่าพระเดชอย่างพระอิศวรหรือพระนารายณ์ซึ่งเทพทั้งสององค์หลังมักแผ่พระเดชมากกว่าพระคุณพระคุณในองค์พระพรมนั้นมีอยู่สี่ข้อคือเมตตากรุณามุ่ทีตาและอุเบกขาและถือกันว่าผู้ที่เป็นใหญ่เป็นโตได้ในสายตาของคนทั่วๆไปหากมีพรมวิหารสี่จะเป็นคนที่ใครๆก็รักเปรียบเสมือนพรมอย่างคําว่า พ่อแม่เป็นพรหมของบุตรเป็นต้นและจากอัธยาศัยที่ชอบช่วยเหลือไม่ขัดใจใครจึงทำให้เ ก, กลๆต่างขอพรพระพรมกันมากบางทียักษ์มานต่างก็พากันมาขอพรพระพรมได้เช่นกันแม้กระทั่งพระพรหมที่สี่แยกเอราวัณของกรุงเทพก็มีชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างไปขอพรพระพรหมเป็นการยืนยันพรพระพรมที่ศักดิ์สิทธิ์จนคนศรัทธามากขนาดนั้น เดิมทีพระพรหมมีห้าเสียนแต่ทําให้พระอิสวรโกรธในฐานกล่าวว่าจาศพประมาทพระอิสวรจึงใช้พระเนตรดวงที่ส ม, มองเสียนหนึ่งของพระพรหมเสียนดังกล่าวจึงโดนเพลิงไหม้หายไปพระพรหมจึงเหลือเพียงสี่พักบางภาพมักทํารูปสี่พักมียอดเดียวสถานที่พระพรหมสถิตในไตรภูมิพระร่วงกล่าววา่าอยู่สูงกว่าสวรรค์ขึ้นไปไกลนักแล้วยังแบ่งพรหมไว้อีกสองประเภท คือรูปประพรมและอรปประรัรูปประพมรูปประพมหมายถึงพรมที่มีรูปเรียกว่ารูปปาวจรมี16ชั้นบางทีจึงเรียกโซโรถพรมในประกาศแช่งน้ำโครง5กล่าวว่าหากเกิดไฟบรรลัยกันไหม้โลกไฟจะไม่ไปไม่ถึงสวรรค์ชั้นพรมคือชั้นที่16เหล่าเทพพยายดาจึงได้ขึ้นไปอาศัยอยู่อรูปประรมหมายถึงพรมที่ไม่มีรูป มีแต่จิตปรากฏเรียกว่าอรูปาวจรมีสี่ชั้นพรหมโลกนั้นกล่าวกันว่าเป็นที่ผาสุขกว่าชะกามาพจรหรือสวรรค์ชั้นหกเป็นที่สถิตของเหล่าเทวดาที่ยังมัวเมาในกามสุขอยู่แต่มีความสุขอย่างพรหมคือสุขที่เป็นพรหมจันทร์ไม่มีสตรีเข้าไปเกี่ยวข้องดังนั้นเมื่อมนุษย์ทั่วไปตายลงจึงไม่มีใครใครประสงค์จะไปเกิดในพรหมโลกนอกจากนักบวช โดยมากประสงค์จะไปเกิดเป็นพระอินทร์กันทั้งนั้นซึ่งพระอินทร์สามารถมีชายาและมีสนมได้มากมายมหาศาลในชั้นลำดับต้นๆดังนั้นหากใครที่ละเว้นจากการครองเรือนออกบวชถือกันว่าถือพรหมจรรย์เรียกว่าพรหมจารีหากเป็นสตรีออกบวชก็ถือพรหมจรรย์เรียกว่าพรหมจารยณีภายหลังใช้เรียกสาวบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ออกบวชว่าสาวพรหมจรรย์ ส่วนอายุของพรหมนั้นก็ยืนยาวน่าดูในหนังสือไตรภูมิพา ร, ร่วงกล่าวว่าพระพรหมมีอายุตั้งแต่1มหาการถึง8 4 0 0 0มหาการและเกิดมาแล้วมีอายุได้100ปีแห่งพรหมโลกถ้าสิ้นอายุของพระพรหมแล้วเป็นคราวมหาประไลโล ก, กาธาตุทั้งหลายแม้แต่องค์พระพรหมเองก็สูญสิน้นกลายเป็นสภาพเดิมไปหมดอายุของโลกเ่านั้นเทียบกับอายุพรหมแล้วเท่ากับหนึ่งวันของพระพรหม ซึ่งเรียกกันว่ากันอันมีความหมายตามมติพราหมณ์ว่ามีเวลาเท่ากับ1นึ่งล้านสองแสนปีของสวรรค์คิดเป็นปีมนุษย์ได้219ล้านปีกันนี้แบ่งออกเป็น1000ส่วนส่วนหนึ่งเราเรียกกันว่ามหายุคเท่ากับ1 2ึ0 0หปีสวรรค์หนึ่งมหายุคก็แบ่งออกเป็น4ี่ยุคต่อไปเมื่อสิ้นกันก็จะมีไฟบรรลัยกนานเผาผ่านทั้งหมดครั้งหนึ่งระยะดังกล่าวเป็นเวลาบรรทมของพระพรหมเมื่อพระพรหมตื่นมา ก็สร้างโลกใมาอีกครั้งสร้างเสร็จก็บรรทมอีกประวัติของพระพรหมในสยามประเทศมีการนับถือกันมานานมีหลักฐานจากลิลิทองค์การแช่งน้ําซึ่งเป็นบทสรรเสริญพระพรหมแต่งกันในสมัยพระเจ้าอู่ทองกษัตริย์องค์แรกในสมัยอยุธยาโดยคัดบางตอนว่าอมชยชยะ ช, ยะชัยโสละสะพรหมยานบานเสียนกล้าวเจ้าเคลียบบัวทองพยองเหนือขุนหานท่านรังก่อดินก่อฟ้าจัดตุรทิศ ไทมิดดามหากฤิตราไราโอมตไตรโลเกตจงตรีศักดิ์ท่านพิยานปรมาธิเบศไททะเรศสรสิทธิพ่อเสวยพรมทรใช่น้อยประถมบุญภารดิเรกบูรพบรู้กี่ร้อยก่อมาบางตำนานกล่าวกันว่าพระพรหมทรงสร้างมนุษย์จากส่วนต่างๆของร่างกายของพระองค์เองครั้งแรกทรงสร้างให้มนุษย์มีหนึ่งขาซึ่งดูไม่สวยงาม ทรงสร้างใหม่ให้มีสามขาก็ไม่ลงตัวอีกที่สุดมาลงตัวที่สองขาจากนั้นจึงแยกวันนะต่างๆตามลักษณะพระวรากายของพระองค์วันนะพราหมณ์เกิดจากพระเสียรของพระองค์วันนะกษัตริย์เกิดจากพาหะของพระองค์วรนนะแพทย์เกิดจากส่วนพระนาภีของพระองค์วรรณสูทอนหรือวรรณสูตรเกิดจากพระบาทของพระองค์